เพามันเป็นเหตุเป็นประธานแห่งการหมุนไปของล้อก็เอาอะไรเป็นเป็นเพราเอาอาสว่าสมูทัยใช่ไหมอาสวุว่าสมูทัยเนี่ยเป็นเป็นกงเอมแค่เป็นเป็นเพลาเป็นเพราที่สอดเข้าไปในดุมเป็นต้นตรงนี้ก็คือท่านกล่าวขุนในรักนาบอกว่ากำจัดเนี่ยซีกรรมแห่งสังสารวัจักเนี่ยนะ กำจัดซี่การแห่งสังสารละจักรตรงนี้จะได้เข้าใจคำว่าสังสารละจักเขาแปลว่าสังก็คือสังสารวัตรเนี่ยสังสารวัตรก็คือการเวียนเกิดเวียนตายถ้าเรียกว่าสังสารวัตรเปรียบเหมือนอะไรเปรียบสังสารวัตรเหมือนอะไรก็เปรียบเหมือนบอกว่าเหมือนล้อรถที่หมุนไปโดยการกระทําอุปมาที่บอกล้อรถที่ว่านี้ประกอบไปได้วยดุมลอ้อ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 พอติดคุกจนเป็นอัธยาใสาเนี่ยผลปรากฏว่ามือคดีสุดท้ายเนี่ยผลปรกากฏตนเองติดยาวมากติดยาวก็คือว่าต้องติดคุกไม่ตามกว่าเป็นห้าสิบหกสิบปีก็ไปติดคุกเบสตเนี่ยตอนนั้นกว่าจะออกมาในี่ยยุตอะไรไหมเจ็ดสิบกว่า ต, ติดอยางยาวนานเลยใช่ไหมติดคุกจนมีความรู้สึกว่าคุกเนี่ยเป็นบ้านทีนี้เอาล่ะสิ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 มันมันจะรู้สึกว่าโอ้โหหายม่วงเลยใช่ไหมแต่ต้องคุยธรรมะที่มันจะท า, า, า, าทา่างงงงงงงงงงงงงงงงงงงีงงงงงงงงงงงงวง า, า, นนางางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงเลยไม่ต้องไปยกอะไรกันเลยเอาเห็นงงงงงงงงงางงงงงเงงงปงงงงงงงงเงงงงเงงงงงงงงงงงงงงงงงงงนงงงงงองงงงงแปลกใจว่าทําไมเวลางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงางงงงงงงงง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 การเวียน่หยตายเกิดนี้เห็นไหมสังสาระนี่ก็แปลว่าทั้งเขติมาสังสารแล้วมชิมะสังสาระอุปริมาสังสาระเข้าใจไหมคเนี้ <S <S เหติมาสังสาระก็คือว่าสังสาระในส่วนเบื้องต่ำ <S <S ในบบยภูมิเสียมชิมาสังสาระก็คือมนุษย์และสวรรค์ทั้งหลายเป็นต้นอุปริมาสังสาระก็คือพรมอรูปพรมการหมุนใน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 อ, อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นฉะนั้นในขณะที่เราเดินไปบนกระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยหนึ่งเหยียบไปบนกระดูกของตนเองนี่เนี่ยนั่งอยู่บนกองกระดูกตนเองเราเคยสะทกสถานขนาดนั้นไหมวันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ใที่เรานั่งกันอยู่นีคอคอ่คือกองกระดูกคือกองกระดูกของเราเองแล้วกองกระดูกของปู่ย่าตายายของพ่อแม่